พราไตปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสุตตันตปิฎกที่้านิกายมหาวัคมหานิทานสูตรสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนนิคมชื่อกรมมาสถธรรมะในแคว้นกุรุพระอานนทเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าแม้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทคือธรรมะที่เกิดขึ้นอาศัยกันและกัน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 สงสารคือการท่องเที่ยวเวียน ว, ว่ายตายเกิดยุ่งเหยิงสับสนเหมือนต้นหญ้าที่ตกเกลื่อนกลาดอยู่ยากที่จะจัดระเบียบต้นปลายข้อนี้อัจฉริแก้ว่าเป็นของง่ายและตื่นสำหรับพระอนท์จริงแต่ยากสำหรับคนทั่วไปทั้งนี้เพราะพระอนุ์เป็นพระหูสูตรผู้สะดับตรับฟังมากและมีปัญญา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 การบัญญัติและไม่บัญญ uh ั lazım. ติอัตตาต่อจากนั้นทรงแสดงการบัญญัติอัตตาสประการคือ1บัญญัติอัตตาเล็กน้อยว่ามีรูป2บัญญัติอัตตาหาที่สุดไม่ได้ว่ามีรูป 3. บัญญัติอัตตาเล็กน้อยว่าไม่มีรูปและ4บัญญัติอัตตาหาที่สุดไม่ได้ว่าไม่ม <S 3 S 1> ีรูป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 ส่วนอัตตาหาที่สุดไม่ได้หรืออนันตะอัตตาน่าจะหมายถึงอัตตาใหญ่หรืออัตตาสากลที่เรียกว่าปรมมตมมันแต่อัตถกถาอธิบายว่าผู้ไม่ได้เจริญเกษี น, นิมิตย่อมบัญญัติอัตตาเล็กน้อยถ้าได้เจริญกกิีนิมิตย่อมบัญญัติอัตตาหาที่สุดไม่ได้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 เช่นเทพพวกอภัสรพรมสสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเทพพวกสุภกินนะหพรมห้าสัตว์เหล่าหนึ่งก้าวล่วงความกำหนดหมายในรูปทำในใจว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เข้าถึงอากาศสาร น, นจายตนะเป็นพรหมไม่มีรูปพวกที่หนึ่งหก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 วิญญาณนิทิจเจ็ดและอายตนะสองจึงจะครอบคลุมสัตว์โลกได้หมดทุกชนิดผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาตรัสสรุปเฉพาะตอนนี้อีกว่าผู้ใดรู้วิญญาณทิติทั้งเจ็รู้อายตนะทั้งสองรู้ความเกิดขึ้นรู้ความดับไปรู้ความพอใจรู้โทษและรู้การแล่นออก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 เข้าถึงอากาสานัญจายตนะห้าบุคคลทำไว้ในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเข้าถึงวิญญาณนัญจายตนะหกบุคคลทำไว้ในใจว่าไม่มีอะไรเข้าถึงอากินจัญญายตนะเจ็ดบุคคลก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแป